เชาวๆอย่างนี้ขอให้พระพิษุทสงฆ์สามเณรรวมทั้งแมช่ชีอุบาศกอุจิกาที่มารักษาศีลในวันนี้วันเวลาก็ล่วงเลยมา การเข้าบรรษาก็าล่วงเลยมาหนึ่งวันพระเขาบอกว่าวันเวลาเหมือนกับสายน้ำเหมือนฝนตกจากฟากฟ้าไม่มีวันที่จะย้อนกลับ ดุดดังสายน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำไม่มีไหลเวียนคืนกลับชั้นใดก็ชั้นนั้นการเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติการเวลาที่เราอยู่มาได้บวชเข้ามา เราได้คำนวณตัวเองหรือเปล่าว่าการที่อยู่แล้วผ่านมาแล้วได้กำไรชีวิตหรือว่าขาดทุนในชีวิตเราได้เดินเข้ามาห่มผ้าคาสาวพัน นับว่าเป็นอัครสาวกที่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าที่สุดแล้วเราได้ประพฤติปฏิบัติต่อสภาวะของความเป็นพระความเป็นเนนเป็นแม่ชีนั้นเป็นผู้รักษาศีลศีลก็คือความสำรวมทางกาย ทางวาจาแล้วก็ทางใจให้ถึงพร้อมก็คือมีสตินั่นเองการเดินการนั่งการยืนการนอนต้องมีสติการขบเคี้ยวการฉันการพูดการจาการกระทําต่างๆนั้นรวนแต่ต้องตั้งสติ สติก็คือความรู้ตัวการรู้ตัวเองว่าเรามาเป็นบนรรพชิตสละเพศของความเป็นคารวาดอย่างสิ้นเชิงการเวลาของเรานั้นอยากการตัวเอง การตัวเองก็หมายถึงว่าต้นไม้ที่มันถูกการการก็หมายถึงว่าเขาตัดท่อนำเลี้ยงก็คือใช้มีดเนี่ยถากเปลือกออกให้ถึงแก่นถึงเนื้อมันเพื่อจะไม่ได้ให้อาหารเนี่ยส่งไปเลี้ยงลำต้นเรียกว่าการต้นไม้ต้นไม้ก็จะต้องเหี่ยวแล้วก็ตายในที่สุด ก็เหมือนกับพระคุณเจ้าได้บวชเรียนเข้ามาแล้วการเวลาของท่านนั้นมันสูญเสียการใช้ชีวิตของท่านเราได้พยายามแบวกว้น้ำจนถึงฝั่งเมื่อก่อนนี้เราอาจจะมองไม่เห็นฝั่ง เหมือนเข้ามาปล่อยดุดดังป่าในท้องทะเลกรลุ่มหลงในความกว้างขวางร่มหลงในอาหารในฝุงปลาด้วยกันร่มหลงแสงสีก็คือประการลังประการลังนั้นมีสีนั้นสีนี้จินตนาการ ตั้งกุ้งหอยปูปลาป่าเล็กปลาใหญ่อยู่ใต้ดินบ้างอยู่ในโขดหินบ้างตามธรรมชาติที่เขาสร้างสรรมาต่างคนต่างก็อยู่ต่างคนต่างก็อาศัยในถิ่นเกิดหรือในภูมิภพที่เกิดมาเป็นชนิดต่างๆของป่า เช่นปาลาไหลก็จะต้องอยู่ในดิน ป, าปาลารดปลาไหลก็จะต้องอยู่ในดินปลากระเบนก็จะต้องอยู่กับพื้นดินเราก็เช่นเดียวกันที่เป็นมนุษย์มีแดนเกิดอันเดียวกันแต่การกินการอยู่การนั่งการเดินการนอน แตกต่างกันตามสภาวะของที่มีภูมิเก่าภูมิเก่าก็คือเกิดจากอะไรมากว่าเราจะหลุดจากเมืองบาดาลมาได้บาดาลก็คือไต้ท้องทะเลนั่นเองหลุดจากทะเลขึ้นมาบนฝั่ง คนที่อยู่ในเมืองบาดาลเรียกว่าตกนระกกระพุม่มดชั้นที่ต่ำลงไปมองไม่เห็นเดือนไม่เห็นดาวในขณะเดือนดาวที่มันดับก็คื อ, อมันมีกระข้างขึ้นกข็ข้างแหลมข้างแหลมก็คือมืดหมดไม่มีเดือนไม่มีดาว พปลาชนิดต่างๆที่อยู่ใต้ดินใต้โคนใต้โขดหินอยู่ในรูในหลืบไม่รู้วันเวลาเลยว่ามันขั้งขึ้นข้างแหลมวันจันทร์วันอาทิตย์วันอังคารไม่รู้เลยแสวงหาดูความมืดมนโดยที่ไม่รู้ว่าวันเวลา ขั้งขึ้นขั้งแหลมอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตป่าพวกนี้ไม่รู้เลยรู้จากปลาที่อสสาศัยคนดินก็แหวกไหวเป็นผงไปเหมือนพระพุทธเจ้าได้กล่าวว่ามนุษย์เนี่ยหลงแสงสีก็เปรียดเสมือนแมงเมาบินเข้ากองไฟ ปลาในท้องทะเล ก, ก็เช่นเดียวกันอยู่เป็นฝูงเช่นปลาทูปลาเบิกเคยเปลาปมึกปลาทุกชนิดที่รวมตัวกันเมื่อหึมา ใ, ใหญ่โตมากกวัดเขาอิทธิสุขโตอีกในท้องทะเล ก, การรวมเราอยู่คิดว่ารวมกันอยู่แต่ความตายอันตรายทั้งหลายเนี่ย ขณะมาประชิดตัวเองเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็วิ่งหนีเอาตัวรอดฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราขาดสติไม่ว่าจะอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราเรื่องเล็กๆในน้อยเราก็รู้สึกว่าตกออกตกใจขาดสตินะอาจถึงชีวิตได้ สัตว์ในท้องทะเลก็เปรียบเสมือนสัตว์บนบกเขาเรียกว่าหลุดจากเมืองมาดานกะ็ขึ้นมาขึ้นมาก็มีกลายเป็นมนุษย์นี่แหละมนุษย์ทําความชั่วยาตกนรกหลุดจากเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ตกไปในทะเลเนะขาเรียกว่าท้องเมืองบาดาลนะเข้าท้องหมู่ท้องหมาไป ก็เหมือนกับสัตว์ทะเลเขาก็เปรียบเหมือนสัตว์ที่ไม่มีประโยชน์คุณค่าจับได้ก็ฆ่าเข็นทิ้งเหมือนกับหมูหมากาไกา่ที่ไม่มีคุณไม่มีคุณค่ามันไม่ใช่ญาติเรานึกจะตีก็ตีนึกจะด่าก็ด่านึกจะไล่ก็ไล่นึกจะเลี้ยงก็เลี้ยงนะหมูหมากาไกา่ เพราะเรานั้นไม่มีภูมิเมตตาคือความรักไม่ได้ปรารถนารักด้วยใจอันบริสุทธิ์ต่อสัตว์เหล่านี้เราก็คิดว่าเราชอบชั่วขณะใจเหมือนสัตว์เดรัจฉานเลยพ่อแม่ที่เป็นพ่อหมาแม่วัวแม่ควายก็จะรักลูกในชั่วขณะ สั้นๆท่านก็ลองนึกถึงตัวเองซิงว่าเรามีความรักสัตว์เนี่ยในระยะสั้นๆไหมบางคนรักกระทั่งตายเลยป่วยไขย้ก็เอาไปรักษาโยกยาก็ให้ที่หลับที่นอนก็จัดให้อย่างดีแต่ท่านลองนึกถึงตัวเองว่า การรักของเราเนี่ยเรารักด้วยบริสุทธิ์ด้วยปัฒนาดีดุดดังพ่อแม่ที่รักโลกไหมยังมีคำคำหนึ่งว่าสัตว์เดรัจฉานยังรู้จักรักโลกมันแต่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีสัญญาในความรักผูกพันเนี่ยมากกว่าสัตว์อื่นใดเพราะมีจิตได้สำนึกมีการละลึกชาติ ดะลึกนึกถึงอันยาวนานมากดุดดังพ่อแม่ที่รักลูกจนลมหายใจที่ลูกเกิดมาหายใจเป็นครั้งแรกและรู้ว่าตัวเองมีลูกอยู่ในคันก็ในท้องนั่นเองความรับผิดชอบของความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย<ๆ>ก็จะมีจิตได้สำนึกนึกตั้งแต่วันแรกว่าเราจะมีลูกแล้ว มีท่ายญาิมีเลือดเนื้อเชื้อไขจนถึงลมหายใจสุดท้ายความเป็นมนุษย์เนี่ยเมื่อจะแก่ชราแค่ไหนผ่านวันเดือนปีไปแค่ไหนพ่อแม่ก็จะต้องรักลูกผูกพันไม่ว่าลูกจะแต่งงานมีครอบครัวไปมีลูกก็ยังต้องรักหลานหลงหลาน เห็นไหมสัญญาคือความรู้หมายจำนี่แหละเรียกว่าตัวสัญญาความผูกลัดมัดเวียงกันนะก็เรียกว่าสัญญาบางคนไม่เข้าใจคำว่าสัญญาสัญญาเนี่ยไอในในปัจจุบันก็คืออย่างที่หลวงพ่อพูดสัญญาในอดีตอดีตก็คือสิ่งที่มันผ่านมาแล้ว มนุษย์ไม่สามารถจะร่วงรู้ถึงอดีตเพราะมีจิตใจชั่วหยาบปะปนจากเปรตอสุรกายสัตว์เดลชาญจึงมีสัญญาข้ามพบคาบชาติไม่ได้รบเรือนรางไปแต่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติชี้แนะนำพระพุทธเจ้าเนี่ยย้อนได้ถึง พอพุทธเจ้าห้าร้อยชาติเห็นไมย้อนไปถึงห้าร้อยชาติเราชาติปัจจุบันเนี่ยก็แย่แล้วแสนสาหัสแล้วยังจำพ่อจำแม่และลึกถึงพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยยังระลึกไม่ค่อยได้เลยจะว่าชาติเดียวนี่ก็แย่แล้วสับสนแล้วจะย้อนไปถึง ร้อยชาติหรือสามสิบชาติสิบชาติย้อนหลังไปเนี่ยคงนึกไปไม่ไหวเพราชาติปัจจุบันก็นึกถึงตัวเองไม่รู้ตัวเองแล้วเห็นไหมความเป็นความเป็นคนโง่เป็นคนแบบมีความหยาบในสภาวะของจิตที่บริสุทธิ์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดถึงสัตว์ทะเล เรียกว่าเมืองบาดาลรลุดจากเมืองบาดาลเนี่ยพื่อจะได้ขึ้นมาตลอชีวิตเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์คือต้องชดใช้กรรมก็เหมือนเราตกนรกลงไปอยู่ในท้องทะเลเราเนี่ยลองจับไปโยนทะเลจะไม่มีปีกไม่มีเก็ตไม่มีว่ายไม่ได้เหมือนปลาเนี่ยก็จะต้องตายในที่สุดไม่รู้ว่าจะไปเกาะอะไร ไหวไปกเกียกตะกายไปก็เท่ากับลมหายใจหนึ่งลมหายใจพอขาดลมหายใจเราก็ต้องตายก็เหมือนกับสัตว์ที่อยู่ในเมืองบาดาลเข า, าแหวกไหวดูปากุ้งหอยโปะปากขไหวแหวกไปทั้งวันทั้งคืนไม่มีบ้านไม่มีช่องไม่มีพี่ไม่มีน้องหากินไปวั น, วน เสี่ยงอันตรายต่อความตายไปวันๆไม่มีสัตว์ตัวไหนที่มาวิ่งมาให้เรากินมาถวายชีวิตให้กับเราพวกพันทะเลก็ไปล่านะล่าสัตว์ต่างๆเนี่ยกือเหมือนกับพวกเราถูกกิเลสมันล่าก็คือความโลภความโกรธความหลง มันร่ามาทางตาทางหูทางปากทางลิ้นทางกายทางใจเกิดตื่นตนกตกใจเหมือนกับสัตว์ทะเลก็เช่นเดียวกันสัตว์ทะเลใหม่ๆ ม, มันก็ไม่เคยถูกล่ามันก็ต้องเรียนรู้จากพ่อแม่มันจากพวกของมันจากฝูงของมันมนุษย์ก็เช่นเดียวกันหลวงพ่อเปรียบ บนบกแล้วก็ในทะเลแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าคนเราที่ทมาที่ไปเนี่ยมันอยู่ในที่ที่เดียวกันก็คือปัจจุบันถ้าปัจจุบันเราเนี่ยคิดไม่ได้นึกไม่ออกก็เหมือนพวกปลาในทะเลที่มันไหว ไปวันวันไม่ต้องรอหมดอายุไขวันจะต้องถูกล่าจะต้องตายไปในที่สุดเพราะเจอผ่านทะเลเจอเครื่องมือเครื่องไม้ที่คนที่ล่าปลาทะเลเนี่ยใช้เทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะจับชีวิตปลาทะเลขึ้นมาบริโภค ก็เหมือนกับเราเนี่ยบริโภคสัตว์นรกที่ต่ําจากอวัยภูมิเข้าไปอีกเป็นภูมิของเมืองมาดานอีกเมืองหนึง่งเรียกว่านรกกภูมิที่ชั้นต่ําลงไปจนมองไม่เห็นเดือนเห็นตะวันก็คือภูมิของเมืองมาดานต่าจากเมืองมาดานลงไปเนี่ยโอ้โ ห, โหมีแต่ของเหลว มีแต่แก๊สมีแต่สิ่งปฏิกูลที่ทับโถมกันเป็นหมื่นล้านล้านล้านของการเวลาแสดงว่าเราเนี่ยได้ถูกทับโถมจากซากพืชซากสัตว์เพราะเราก็เคยเป็นสัตว์นานานับปการกว่าจะถึงในปัจจุบัน เขาก็เจาะแก๊สขึ้นมาใช้เห็นไหมพลังงานตาจากแก๊สลงไปก็เป็นน้ำมันน้ำมันที่สูบขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนน้ำมันกี่โลดำๆนี่แหละดำเหมือนอยางกับยางมาต่อยเล้านี้แหละแสดงว่าในโลกนี้เนี่ยก็เหมือนรถยนต์เลยก็ต้องมีทั้งน้ำ ทั้งดินทั้งลมทั้งไฟก็มีสายดินสายไฟมีน้ำใสเข้าไปมีน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรมนุษย์โลกเนี่ยมีความเฉลียวฉลาดเรียนรู้ในสิ่งที่คดในข้ององในกระดูกมมนุษ ย, นย์มีทั้งข้อมีกระดูกเป็นข้อเป็นป้อง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์อื่นหมื่นได้สามารถเอาความเฉลียวฉลาดเนี่ยพูดว่าตัวเองเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐดีเลิศประเสริฐสีกว่าสัตว์อื่นหมื่นได้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เรียกว่าสัตว์มนุษย์ ไม่ว่ามนุษย์จะเป็นจัดมนุษย์ที่ประเสริฐก็ตามมนุษย์ก็เวียนไหวตายเกิดดังองค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวว่าคนทำกรรมดีย่อมอยู่ด้านบนนะคนที่ทำกรรมดีก็คือคนที่ฉลาดเรียนรู้จากความชั่วหยาบทั้งหลายละความโลภ ก็คือความอยากได้คนที่อยากได้เนี่ยทุนลนทุนลายแสวงหาก็เหมือนกับผักปลาหมูหมากาไกาท่ที่แต่เกียกตะกายหากินไปวันวันแต่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองเนี่ยสะสมแต่เกียกตะกายทุนลนทุนลายจากความคิดการนึกปุงแต่งร้องไห้บ้างหัวเราะบ้าง สมหวังก็รู้สึกดีใจคาว่าสมหวังอะไรคือความสมหวังที่สุดของมนุษย์ความดีใจเหรอดีใจที่สุดของเราเนี่ยพระกุณเจ้าลองนึกซิว่ามันเรื่องอะไรกันแน่ดีใจที่สุดก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าดีที่สุดของใจเนี่ยมันคือยังไง แต่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าดับไม่มีเชื่อคําว่าดับก็หมายถึงดับอารมณ์ใจดับอารมณ์ในการสมมุติปรุงแต่งของกิเลสเนี่ยรู้เท่าทันก็คือสติเมื่อเราเอาสติมาจับใจใจก็คือจิตวิญญาณนั่นเองเมื่อเรามีสติรู้จิตรู้ใจของเรา โดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นเนี่ยมาเข้าจิตเข้าใจหมายถึงว่ารู้ใจเราเราจะต้องเป็นบุคคลที่รู้จิตรู้ใจของตัวเองรู้ว่าเราใ น, ในขณะนี้เนี่ยกำลังบำเพ็ญเพียรอยู่อย่าให้ความเมื่อยปวดความง่วงเหงาเหานอนเนี่ยเข้ามาเบียดในจิตสตมในจิตใต้สำนึกก็คือสตินั่นเอง เราก็ยิ้มปลอบใจตัวเองเข้าไปดูในใจของตัวเองเนี่ยให้สว่างใสมองใจของตัวเองเนี่ยเหมือนกับ น, น้าที่มันใสเช่นน้ำแข็งที่มันใสใสมันน้ำที่มันสะอาดเมื่อใสแล้วก็นึกถึงแสงสว่างสว่างใสเหมือนกับ ด, ง ด, งดวงดาวหรือดวงพระจันทร์ ที่มันวนวลใสยอย่างนั้นว่าเรานึกถึงใจเราเราก็ยิ้มว่ามองเห็นใจเราเนี่ยมีจิตใต้สำนึกมันนึกเรื่องของกุศลกุศลก็คือความดีนั่นเองเราก็จะรู้สึกว่าใจเราดีสบายพอใจดีปุ๊บไอก้กายกายก็คือกายวิญญาณก็คือร่างกายเรานี่แหละ ร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุดินก็คือกระดูกธาตุน้ำก็คือน้ำเลือดน้าเหลืองน้ำเหงื่อน้ำลายธาตุไฟก็คือมีความอบอุ่นมีความเลวร้อนอยู่ในตัวของเราธาตุลมก็เราก็หายใจลมเนี่ยเข้าไปในร่างกายเรารวมทั้งอากาศธาตุด้วย ธาตุ ด, ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็เหมือนกับโรคทั้งใบเนี่ยร่างกายเราก็มีแก๊สมีการเร ม, มีการตดออกมาภายลมออกมามีการกินมีการถ่ายใช้ชีวิตอากาศในโลกนี้ก็มีการคลายมีการหายใจเช่นเดียวกันโรคมีการหมุนขยับอยู่ตลอดเวลา เราเนี่ยเหมือนกับแบกภาระโลกทั้งใบเนี่ยเข้ามาอยู่ในจิตใต้สำนึกเรียกว่าจิตวิญญาณเห็นไหมเข้าไปละเอียดมากขึ้นแหละเราพิจารณาตัวเองเนี่ยเรียกว่าสมถะวิปัสนาสมถะเสร็จเราพิจารณาแล้วก็นึกด้วยปัญญาที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเรียกว่าวิปัสนา เรียกว่าสมถะวิปัสนากรรมฐานกรรมก็หมายถึงว่าเราได้รู้แห่งหนทางกรรมกรรมก็คือการเวียนไหวตายเกิดนั่นเองการเกิดการเวียนวนอยู่ในอารมณ์ของตัวเองเนี่ยจึงผูกติดสัญญาผูกอะไรผูกปมเป็นเปาะ เปเป็นข้อเป็นป้องเหมือนกับกระดูกของท่านนั่นแหละเป็นข้อเป็นป้องเป็นปมที่เราเป็นปมเรื่องก็เรียกว่าปมด้อยคำว่าด้อยก็หมายถึงว่ามันไม่ดีนั่นเองก็คือความงโง่เราไปยึดติดมันนั่เองยึดติดปมด้อยเหมือนเราเนี่ยใครเขาว่าเรา ชี้ปมด้อยของเราเนี่ยเรารู้สึกเสียใจรู้สึกช้ำใจว่าเขาจี้ปมด้อยของเราแต่การที่เรามีปมด้อยเนี่ยก็คือเรายึดติดมันสัญญาแห่งความโง่เขาบบาบัญญาก็คืออวิชชาที่ครอบงำเราที่เราไม่รู้แดนเกิดไม่มีสติรู้ตัวรู้ตนไม่มีใครอบรมขัดเกา่าสั่งสอนเรา เรานั้นโชคดีได้อยู่ในพระพุทธศาสนาแม้นเราไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าเราก็ยังมีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือมีรูปมีองค์มีรูปมีนามก็คือพระพุทธรูปนั่นเองที่ทําให้เราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในพระธรรมคําสั่งสอนได้แต่เราไม่มีพระพุทธเจ้า เราก็ไม่รู้ว่าโกรธนะมันแปลว่าอะไรเมื่อโกรธแล้วเราจะให้หายโกรธเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างเมื่อโกรธเมื่อเรามีเมตตาเราก็เอาตัวเมตตามายิ้มเขวะเรามีความรักต่อสัตว์รักต่อเพื่อนมนุษย์หมูสัตว์อันดับแรกเราก็รักพ่อรักแม่ ความรักของพ่อแม่เนี่ยลุงพ่อก็บอกไว้แล้วความรักของมนุษย์และสัตว์เนี่ยก็บอกไปแล้วไม่มีวัดไหนที่ได้ฟังได้ยินอย่างวัดเขาอิติสุกโตนับว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่หลุดจากสภาวะโชคร้ายมามาเป็นบุคคลที่โชคดีเราก็เห็นท้องทะเลทุกวันเนี่ย กินปลาทกินปลาหมึกนะบริโภคกันทุกวันเนี่ยก็มองเห็นทะเลว่ามันสวยงามคิดความสวยงามแต่เราไม่ได้มองอย่างลึกให้มันละเอียดของคนที่มีปัญญาคิดนึกเนี่ยว่าโอ๋เนอะอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยโอ๋ใครเป็นญาติกับปลาหมึกบ้างเอแกจะบ้าหรือเปล่า ปลาหมึกที่ไม่เคยถูกเราทําร้ายเนี่ยก็จะมาไม่ถึงเราบางคนเขาเอาปลาหมึกมาถวายที่วัดบางองค์ก็ได้ฉันบ้างบางองค์ก็ไม่ได้ฉันบ้างบางองค์ไม่คิดเลยว่าวันนี้ปลาหมึกมันจะมาปลาทูมันจะมา ก็ได้สวาปามเข้าไปก็เรียกว่ามีสัญญาในการกัดกินกันมาในการเข็นฆ่าซึ่งกันและกันมาเหมือนบางคนนี่ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าหมาวัดเลยขับรถมาก็หลายร้อยกิโลดันมาเหยียบหมาวัดตายรถเป็นร้อยคันก็ไม่เห็นเหยียบมันดันมาถูกรถเราเหยียบนี่แหละ เขาบอกว่าถึงที่ตายคนเราเคยเข่นฆ่าเคยทำให้สูญเสียชีวิตมีตราบาปซึ่งกันและกันมันก็มาตายเพราะลถเราสีมือเราแต่ถ้าตายด้วยความตั้งใจที่จะฆ่านั่นเป็นบาปเขาเรียกว่าจงใจ แต่ถ้าเกิดเราไม่จงใจเช่นนกบินมาชนรถเราในขณะที่เราขับรถมานั่นแหละเขาเรียกว่าอาศัยตายมันจะต้องอาศัยเราอะ่ะมีภาชนะเข็นฆ่าให้ตายเหมือนคนเนี่ยไม่ถึงที่ตายในรถฟั่าเป็นร้อยตลบตกไปในหุบในเขาก็ไม่ตายเองเพราะไม่ใช่ที่ตาย บางคนกินอาหารทานอาหารมาร้อยแปดจำพวกตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยไม่เห็นมันตายเลยดันมากินกุ้งแห้งตายอทองเสียเป็นพิษตายเลยบางคนมาเป็นนักเกรงใหญ่โตเข็นฆ่ากันมามากมายชื่อเสียงโด่งดังตกใจช็อกตายตกใจเรื่องอะไรอะ่ะ มันถึงที่ตายเขาว่าอย่างนั้นมนุษย์ก็ไม่รู้เลยจะย้อนก็ไม่ได้แบบพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติจิตใจของเราเนี่ยเรียกย้อนก็หมายถึงจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยนึกลึกละเอียดเข้าไปดังที่หลวงพ่อพูดเนี่ยท่านทั้งหลายก็จะได้รู้เลยว่า จิตที่เราเคยคิดชั่วหยาบเนี่ยพอเราถึงจุดจุดหนึ่งเราก็จะคิดแล้วเอ๊เราคิดไปได้ยังไงเราไม่น่าทําไปได้เลยแบบนี้เหมือนกับท่านที่กําลังโมโหลงไม้ลงมือหรือด่าว่าคนอื่นไปพอเราหายโมโหแล้วเรารู้สึกละอายเรารู้สึกว่าเอ๊เราไม่น่าหลุดเลยทําไมเรา และทำอย่างนี้ได้ยังไงบางคนก็มีจิตใต้สำนึกไปขอโทษขอโพยบางคนก็ไม่ไม่ขอโทษขอโพยแถมอาฆาตมาต ร, ร้ายจะเอาเอาชนะนะนั่นเ็าเรียกว่าวัาจีกรรมมโนกรรมกายกรรมก็อาจจะต้องถึงขั้นลงไม้ลงมือถึงก็เตะต่อยตีกันทะเลาะกัน นี่ตกไปในอบายภูมิและเป็นภูมิของสัตว์แหละเกิดการทะเลาะเบาแวงทำร้ายร่างกายกันเพราะนั้นพระคุณเจ้ารวมทั้งลูกเนนอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยค่อยๆกระเทบเข้าไปมองเห็นวัตตะคือการเวียนว่ายรู้เหตุรู้ปัจจัยเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็กายวิญญาณ เรื่องของเปตอสุรกายสัตว์เในละชานเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติทั้งสิน้นเป็นพื้นฐานของสติในการคิดนึกเพื่อจะได้ไม่ปรุงแต่งให้มันคลาดเคลื่อนอเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วมันก็ขึ้นกับเรามีความขยันหมั่นเพียรเอาไปนึกหรือเปล่า นึกในสิ่งที่ดีๆที่หลุงพ่อพูดนี่แหละทุกคนมีหน้าที่แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องมีหน้าที่กรรมของมันไก่ก็จะต้องขันยามเช้าเห็นไหมนกก็จะต้องสแสวงหาอาหารร้องไปปาก็หาอาหารแหวกไหวเวียนไปไม่มีวันจบสิ้นนอกแต่จะจบชีวิต เรามานันวองนั่งนึกดูว่าเออจริงปู่ย่าตายายที่หลวงพ่อพูดท่านก็ตายไปเหลือแต่กระดูกเป็นท่อนๆเป็นชิ้นเป็นเตียวพอเก็บไว้เราก็กลัวอีกว่ากระดูกใครผีไครไครตายเพราะนั้นเมื่อเรามีสติรู้แล้วมีเหตุมีปัจจัยรู้ หลวงพ่อก็จะค่อยๆนำพาของจิตวิญ ญ, ญาณกับกายวิญญาณให้เห็นอดีตปัจจุบันและก็อนาคตอดีตมันเป็นอย่างไรอนาคตจะต้องเป็นอย่างไรอดีตมันเป็นอย่างไรก็คือปัจจุบันนั่นแหละปัจจุบันเป็นอย่างไรก็คืออนาคตของตัวเรานั่นแหละมันก็อยู่วนเวียนกันอยู่นั่นแหละเมื่อเรามีจิตใต้สานึก พยายามไปบำเพ็ญเพียรประพฤติปฏิบัติหาด้วยเหตุด้วยปัจจัยอยู่คนเดียวในนั่งเมื่อจิตเราคลาดเคลื่อนมันไม่สงบจริงๆเพราะว่ามันชินต่อความวุ่นวายมันวุ่นวายต่อความรู้สึกที่เรานึกคิดปรุงแต่งจนเราเนี่ยเขาเรียกว่าสติแตกแตกไปอยู่กับคนอื่น ไปนึกถึงแต่คนอื่นไม่เคยนึกถึงตัวเองมัวไปพูดอวดฉลาดอวดรู้กับคนอื่นแต่ไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยกำลั ง, งโง่เขาเรียกงโง่ดักดานดักก็หมายถึงว่ามันติดแล้วไปยึดติดติดในกิเลสเป็นอารมณ์แล้วดานหมายถึงว่าดินดานก็คือท้องทะเลเนี่ยต่ำสุดแล้ว ไปยึดติดว่าตัวกูของกูลูกกูเมียกูผัวกูทรัพย์สินของกูต่ำลงไปต่ำลงไปใจก็ไม่เคยผุดมองเห็นเดือนดาวก็คือกูไม่สนคนอื่นแต่ไม่คิดถึงความตายว่าเกิดมาจะต้องตายจากโรคนี้อยู่แค่สองมื่นกวันเอง มนุษย์เี่อยู่ได้สองหมืนกว่าวันก็แ80ดสิบกว่าปีแล้วเกือบร้อยปีแล้วสองหมื่นกว่าวันเองวันสองหมื่นกว่าวันเนี่ยเราจะคิดเรื่องของคุณความงามความดีเนี่ยสักวันละชั่วโมงเนี่ยเอาแค่คิดถึงหน้าแม่เราวันละชั่วโมงเนี่ยยังคิดไม่ได้เลยจะมีจิตได้สํานึก นึกถึงความดีสักห้านาทีสิบนาทีมันจะได้อย่างไงคอยจะหลุดล่วงไปคิดถึงอีนั่นอีนี่ไอ้นี่ไอ้นั่นคิดแต่ถึงเรื่องร้ายๆที่มันฝังจิตฝังใจเห็นไหมขนาดตายเขาเอาไปฝังเอาไปเผาแล้วเรายังคิดไม่ให้อภัยเลยคิดดูสิว่าไอ้จิตที่มันชั่วหยาบเนี่ยมันจิตใต้ฝังนึกเนี่ยฝังลึกเนี่ย มันเหมือนเราตกเหวยังหลงหลงป่าป่าก็คือป่าเถื่อนนั่นเองเราอยู่ในป่าชาเขาตายไปแล้วเรายังไม่ให้อภัยยังสาดแช่งเข้าไปอีกไอตระกูล น, นี้ไอตระกูล น, นั้นไอนั่นมันไม่ดีกับพ่อเรามันไม่เกี่ยวกับเราเลยที่พ่อแม่กทะเลาะกันบางคนสาดแช่งเข้าไปอีก เอาเกลือเอาพริกเผาแช่งกันเข้าไปอีกคนที่ช่วยยากที่สุดก็คือตัวเรานี่แหละปัจจุบันนี่แหละอนาคตผ่านมาก็ยังไปคลั่งไคล้เหมือนเราเจอเจอใครคนหนึ่งรู้สึกถูกใจถูกตาถูกใจเราก็เก็บเอาไปคิดไอ้คนที่ถูกเรามองเราเห็นเราคิดเนี่ยมันไม่ได้รู้ตัวเลย มันเป็นหลับมันไปขี้ไปเยี่ยวไปนอนแล้วไอเรายังทรมานกรรมทรมานกายกะกกรรมก็คือมโนกรรมคือคิดอยู่ปรุงแต่งลักไขยินดีก็ละเมิดต่ำลงไปทีแรกมองเห็นใบหน้าก็นึกว่าเออคนนี้มันสวยมันหลอ่อลึกเข้าไปเออทรงผมรูปร่างหุ่นดีนึกเข้าไปถึงนมถึงเพศไปต่ำไปเรื่อย นึกถึงการเสพการอยู่การกินจะได้เอามาเป็นเมียเป็นกอดหอมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไอคนที่เรานึกเนี่ยเราเนี่ยเขาไม่ได้รู้ตัวเลยเขาไม่ได้มีจิตใด้สำนึกไม่มีสัญญาแห่งเป็นความมโนภาพมโนกรรมกับเราคนเราไม่มีกรรมที่จะต้องกักกรรมมาเป็นผัวเมียกันเนี่ยไม่มีวันละที่จะอยู่ร่วมกัน ถึงแม้จะเจอกันก็มีสัญญาได้ชดใช้กรรมกันเป็นชั่วขณะบางทีหลีเกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องชดใช้กันในชาตินี้งั้นก็จะไม่หลุดพ้นได้ชดใช้ไม่หลุดพ้นในการใช้ชีวิตที่เป็นปัจจุบันจะต้องไปต่อถึงอนาคตอีกแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันเนี่ย เราก็รีบชดใช้ใช้จิตใช้กายใช้วิญญาณของเราเนี่ยที่มองได้ในอดีตถ้าเราประพฤติปฏิบัติเราก็ย้อนได้เอาแค่ในชาตินี้เราย้อนสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยเราได้ทำอะไรมามีจิตได้สำนึกผิดถูกชั่วดีบ้างหรือเปล่า คนบางทีก็จะนึกถึงแต่ความโชคลายอดีตผ่านมาพ่อแม่ไม่ให้ทรัพย์สมบัติโกรธพ่อโกรธแม่คิดอยู่ทุกวันเจ็บใจอยู่ทุกวันแต่ไม่รู้เลยว่าไอ้ค่าที่เขาเลี้ยงเรามาเนี่ยใช้การเวลาจนหนึ่งชีวิตเนี่ยบางคนก็ถูกผัวทิ้งญาติผัวญาติเมียคิดว่าพอ่อตาแม่ยายกีดกันถึงก็เข็นฆ่ากันก็มี แม้แต่เลิกกันแล้วก็ยังสาบแช่งตายแล้วไม่เผาผีก็นก็มีพี่น้องผัวเมียแต่พอนึกถึงความรักก็ร้องห่มรอ้องไห้เสียอกเสียใจเสียดายมันบ้าหรือเปล่าไม่ยอมรับสถานภาพของความเป็นจริงในปัจจุบันย้อนบางคนถึงก็กิกนไม่ได้นอนไม่หลับผอมแล้วก็ป่วยตาย <c oughs> คนที่มาวัดเราเยอะมากที่มาถามหลวงพ่อพัดพลาดจากผัวเมียพัดพลาดจากพ่อแม่พัดพลาดจากสมบัติพัตฐานถูกหลอกถูกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตรวนแต่เป็นความทุกข์นะทุกข์เพราะว่ามันไปยึดติดไม่นึกถึงปัจจุบันว่า เราจะต้องอยู่อีกไม่กี่วันแล้วจะต้องตายไปในที่สุดเราจะต้องวนเวียนต่อความคิดเราไม่ออกจากในกลาเหมือนกบอยู่ในกลาก็ขอให้พระคุณเจ้ารวมทั้งลูกเนนแม่จีอุบาสกบาสิกาที่มารักษาศีลในวัดเขาอิถธิส ก, กโตจงจเจริญด้วยสติจเจริญด้วยปัญญาไปหาเหตุหาผล ย้อนในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีกระทาในสิ่งที่ดีในปัจจุบันเชื่อว่านาคตจะต้องดีและปัจจุบันก็จะต้องเป็นบุคคลที่อารมณ์ดีเมื่อเรามีดีหลายๆอย่างเนี่ยแม้ต่สัตว์จำแมวเนี่ยมันยังวิ่งมาหาหลวงพ่อเลยในขณะนี้เมื่อเราเป็นคนดีอยู่ใกล้กับใครใครก็มีความสุข ฉะนั้นชาววันนี้ก็ขอให้ฝากไว้ให้ไปนึกไปคิดไปตึกตองและปฏิบัติฌานแปลว่าชินให้เรานึกแต่สิ่งที่ดีๆบ่อยๆเข้าทำความดีให้มากขึ้นจิตใต้สำนึกเราก็จะชินชินแต่นึกแต่จะเรื่องดีๆก็จะมีความสุขใจเราก็ไม่ว้าวุ่น แต่ถ้าเราไปชินอยู่ในกิเลสหมกมุ่นเรียกว่าหมกทับโถมกันจนเป็นแก๊สทำให้ร่างกายเราเนี่ยอืดทำให้ลำไส้เราเนี่ยอึดอัดหายใจไม่ออกเร่อ ม, มาก็เหม็นตดมาก็เหม็นถ่ายก็ไม่ออกกินก็ไม่ได้ก็จะตายเอ า, าในที่สุดก็เหมือนกับอารมณ์เราเนี่ยหาทางออกไม่ได้นึกคิดไม่ได้ มันอึดอัดเหมือนอกจะแตกตายบางคนถึงก็เส้นเลือดแตกตายเป็นลมปรพึกลมประพาสตายไปในที่สุดเราผ่อนคลายให้เหมือนกระดาษดุดดังธรรมชาติสิ่งใดเราชอบปรารถนาแล้วไม่ทําให้คนอื่นมัวหมองคุณเคืองใจก็ไปทําในสิ่งนั้นแต่ถ้าเราทําแล้วเนี่ยมันเดือดร้อนตัวเองและเดือดร้อน หมู่คณะเราก็อย่าไปทํามันเราค่อยๆ ค, คิดค่อยทําคิดไปบ่อยๆทำความดีไปบอป่อยๆบำเพ็ญเพียรในขณะที่เราทําอย่างเนี้ยที่ลุงพ่อบอกเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็คงจะรู้เหมือนกับลุงพ่อบ้างนะได้เห็นได้รู้ได้สัมผัสว่าโอ๋โนอสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม อันนี้จังเป็นของไม่เที่ยงเราเนี่ยอารมณ์ไม่เที่ยงสติไม่เที่ยงก็เลยเคลือบขาดเคลือดไปเป็นคนบ้าต่อไปหลวงพ่อจะบอกว่าโรงพยาบาลบ้านเนี่ยมันมีนแผนกของมัน น, นแผนกอสุรกรรมนแผนกกุ ม, มารเวชนใครเป็นพยาบาลอยู่กุ ม, มารเวชนะใครเป็นหมอนแผนกอะไรทำคลอดน หรือว่าทำทองเพวัะนั้นมันจะมีพันแนกของมันเรามาฝึกเป็นหมอกันก่อนเรารักษาตัวเองก่อนให้หายก่อนถึงจะไปรักษาคนอื่นเอาละเจ้าๆอย่างนี้ค่อยๆถอนสมาธิเพื่อจะได้กดน้ำสืบต่อไป